ทำไปดาอรดอันนี t t ้ก็โอ้ยนาสงสารอืมคุณผู้ชมมื้อจนื่นทีไรถ่ายในห้องนอยมั่งใส่ได้ปลอดภัยหมดหมอถุงชี งานถูกต้มถูกตุมกโคตรถูกกลถูกที้ไ응응ว balm, ้บ่างสิดผิดนิดเดก็จบแล้้ก็เป็นยังิพายไปทังซีมื่อไหมันไปชื่อแป๊มหนเขากไปชื่อแปาก็ลง เนีกระเป๋าจ้ะ่กิเบของก็ขซ้มือเป็นแกนเงียบอว่าจะซื้อเรื่องรก็ของงีนั่นแหละคิดคิดแต่คนเดียวคิดอ่อมะป่าข้อคเรื่องูว่าคิดได้หรือดูดูว่ามาปัจจผมก็ต่างมากกคิดมาปจจ ไี้ที่ปฏิบัติไงเพราะผมกินเลืมือก็บ๊พอพ้นนะฮะโอเคก็กคุยไปกินไดลงก็ป๋องเดี๋ยวนี้มีกลมบ่ายขึ้นเยอะเพราะมาลดทั่วเนี่ยแตมีกลมใแสงทุกขั้นเลเดี๋ยวนี้กรองท้ยี่ ผมก็ลองกระเป๋าคุณก็นั่งก็นิดไปห่อด้านในบรรุพอทุม้าเล่ยข้ามทาประกาศเรื่องันั่ร่วงกระเป๋านั่งนี่เหียเอาใบไล่ไปรอกมันมันกว่าเป็นตรงไหนมันเพือนเพื่นกดโต๊กระเป๋าอของที่ต๊ะวนไหนมันก็ไม่มาหันเจอของเงืนหือของทันนันไปตห่เห็นแล้วนั่งนั่งนร่วงกระเป๋านะร่งกระเป๋า ยาวบาง น, นั่งมันช่วยกันเดือนตอนนี้นนลองดูร่วงร่วงกระเป๋าน่ะไปกัดตงนั้นตรงนี้อะไรบ้าคนจ้างมันจ้องเนี่ยคนโง่งมันโง่เนี่ยไปตกกระเป๋ากเ็เห็นกระเป๋าตรงไหนกันตรงนั่นเงินอยู่ตรงนั้นมัรู้แล้วเอาแล้วเป็นอย่างนี้รถถัว เออกไาไ้ัมอไอนที่ออคือมันต้อมาทีมีผมก็เลยเด็ดขอบคุณคิดดีหนะผมคิดบกาันผมคิดอีน่คิดมงง่าย น, นเหน่ขอหายเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์บคิดได้เย เจก็ว uh, mm ่างไงแล้วก็มันหาไปเลยดก็มถึงจะบบอกผมคิดเต็มหัวใกแล้วมบอกพิษขนอกเหรอเราจะเชื่อยุ่นดนอยึดนนก็ว่งกันนันเงินแสนนเป็นได้แค่เงหมือนบ่ทั้งหมดเแสนกว่าแสนตาแล้ว รอรอยกระไรเบื่อเก็ะยิ้นมาจำเป็นลงน้ำานี่มาเปต่อแผลแปก น, น้ำแล้วอนค์ตะกอนไปยิ้นอยู่หรอห่างหางหาูจกักลูกพอได้เคยฝึกตะกอนเคยฝึกลั้งน้ำเ ง, งานินก็เอาขึนมาหนีดได้สะดวก อากาศทส่ช้ำพุ้ย่้หยังึ่ามั่งสับรางเขาจับไปได้เห็นเป็นน้องบุญจัเออวัดรู้ว่าุกวาวัุรบายผมข้ามเมือนู่นบ่ายผมว่าท่านมาหาผมอ๋ผมตั้งจะไปถึงก่อนแล้วผมมึงจับเอาแล้วจับไปแล้วทนับจําเป็นแล้วช่วยแล้วไม่ที่กําเป็นอั่กรรเป็นแล้วมมนช่วยเสริมไม่ช่างเพําเป็นผมมู้เสริม เนื้อใง่ไหมกูเนื้อหาเงกระตินเราไม่พอเงนเ้ินนไปเท่าไหรให้เขาวางเงินเ่ยเขาจะไปช่วยงินหางินให้ก็ว่าแสนกว่ามันถ้ากระทินเ็ผไม่ได้เงินบาใแห่งอย่างกเป้าอะไรเป็นแสนเงินตันทุ่ยนีกว่าหาหาี้ินกว่าหาเงินหนึ่ง0 0นเนาะอันนี้เขาไปประจำกูปี ข็หมูเป็นเงีもももかか้ยบ้านถึงว่าขาดเกินบุก็บอกไว้เลยได้ถ้าขาดไดให้มาเอานะระวังหน่ยเดยหมูเลาขาดไม่ได้ครับที่อยู่ข้างล่างนี้มยุงแล้วว่านนี้เขาบ่ห้ขาดะวังเป็นเรียอนมาธนาคารหมูเขาไว้่างนั่นแหละมูวนไปนัหม้วนไนั่กซอยียนี่ไปนีนี่นี่นีาหมูก็ป้อมอูแร้เอาอยู่นี่จะข้าไปไทนจะดก็ได้ เป็นอะไรไมีใรลาทอดตุลเราดูยุาอะไรจเป็นคว้นหนาลังอะไรเลาพีน้ามาอ๋อคิดแล้วคิดแล้วคิดอยู่อีกเรื่อยๆอยู่นีเรื่องมันจะเป็นอย่แล้วก็ค่อยขังดิดขังกันไทยนีจะมันนิแล้วค่อยขั้งดุนน่าขนน่าเนี่ข้งยเป็น ยกอ่ิด่ทไยนี้ไปตมือผมบอกเลยโอ้ยทั้งห่อนบงรื่ลูกลาั้งตนผมก็ว่าอย่นมสอืบางเดว่วยหลายนี่อือุแล้วก็ทให้ด อดพูดเรื่องเจดีย์ก็นากท่านเหมือนกันคิดเกิเหตุ <p> <ata> าการณ์ต้งส่น่ยังไงเราจะต้องได้เข้าเกี่ยวข้องก้าตามเหตุการณ์นี้แล้วไปไม่พ้นผมเพราะเหตุการณ์แสดงอย่างเด่นชัดเห็นด้วยตาเห็นมันแคผมเป็นคนเเหตุการณ์นี้อยู่งานท่านนีนะครับ ฝนตกทั้งคืนแม่ตกจกริงๆไม่ได้ทำงานตกหนักไปด้วยน้ำเจอมดรมหว่างนก็ลงทนาลงไปท้องนาเต็ไมไปหมดจริงนคือรีบติดตั้งเรื่มีพิธาระาตอนวันวันนี้นะอันนี้แฟ น, นจะกลับเนือเพราะได้หนดเวลาฝนไม่ตก่อวานี้วันที่ห้า ที่แปก็จะไม่ต้องไปสองประมาณสองลังนี่จะตดแมีนอ่ก็จะส่ที่แดคนก็เป็นคนมีฐานเยอะเขาจมีเพิ่มที่ีครปดูทีประชุมที่กะไมไม่ไปเลยอืม ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรช่วยผมนะเห็นผู้ว่าจะเปหมายมาผ ม, มาพูดแบบชุกชุกชิ่มชิ่มยังไงเราขอรบครูบาอาจารย์บอกว่าหมดหนทางแล้วส่านอาจารย์เวลานี้ว่างนั่นเลยนะถ้าไม่มีชื่อส่านอาจารย์อยู่ในนี้ยักง่ายเขเป็นไปไม่ได้เไยพูดอย่างนี้เลยนะพร้อมกันมาขอร้องเรายิางวอนพอไปอไรายไหนก็ถามในนั้นนี่ว่า นั้นท่านอาจารย์ล่ะาอาจารย์มหาบัว ล, ล่ะบอกว่าเทอภระบบาต้องท่านไม่ดีท่านรับทำไไม่ได้รับเป็นประธานก็รัไม่ได้กรรมการนี่ท่านก็ไม่รับท่านไม่รับทั้ง น, นั้นนี่ซึ่นจะหลัดตรงนี้หวังกันโอ้ครคูวาอาจารย์อาจารย์มหาบวัวไม่มีความสามารถรับลูกศิษย์เหล่นี่ีเก่งกว่าครูมีเหรอเป็นไปไม่ได้แล้วนี้เขาตัดหมดแล้วนะท่านอาจารย์นะวาย่างนี่เลยนะ แม้แต่พูดถึงคำแปลนเขาตัดแล้วเลลวลาเขาหยุดแล้ว อ, อย่ยว่าแต่คนอื่นทีจะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเลยมาขอ อ, อย่างไม่ได้รังดีขอเอาชื่อท่านอาจารย์ไปเข้าในวงคณะกรรมการว่างังินนะผมรู้ทัทนทีนี่เป็นเบื้องตน้นของเขาที่เขาจะากเราขึ้นเขียงผมก็รู้แต่ถ้าเป็นโลกแล้วผมจะไม่ยอมให้เลยแต่นี่เราก็ขโรกตวายจาร์เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่น อ๋อทางนั้นก็คือเขาให้เป็นสองอย่างจะเป็นกรรมการที่ปรึกษาก็ได้จะเป็นกรรมการอุปถัมภ์ก็ได้ได้ท่านอาจารย์ให้เลือกเอาอ๋อทางนั้นก็เอาเป็นกรรมการที่ปรึกษาเสียครับหลวงพ่อเขาก็ได้แนี่ยนะเขาประชุมกันปรึกให้เป็นโยกให้เป็นหัวหน้าเลยแล้วทุกมาบอกเราที่เด็มันก็เป็นไปตามที่เราคิดเรื่องของทําเราคิดได้แล้วรู้ไว้แล้ว เรายอมรับทำไมถ้าว่าเป็นโลกเราไม่ยอมรับจะถูกต้องแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมแล้วก็ภาษาภาษาานั้นเรียก ว, ว่าโสตายแล้ว่างโสตาย <c oughs> อะไแลวมันก็เป็นอย่างนะี้เิงอ๋อเด็กหน่มเด็กเราก็ไม่ได้อวดเรานะที่เป็นมาขนาดนี้ก็ เรียเป็นความตะเกีตะค้างเราก็ทูกปมานี้นี่แรลำบากอย่างนี้เราก็แน่ใจแล้ว่วาถึงเขาไปสำเร็จสำเร็จได้ถ้ามีเหตุการณ์อะมาตัดรอดธรรมดาทำงานนี่ก็สำเร็จถึงจะฝุดบบางก็สำเร็จ นาองทั้งเรื่องที่กลัวกินนะะกินกันยังไม่มันไม่มียางอายเลยนะเนี่ที่ผมตำรวจทั้งเรื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนประเภทนั่นนะคนหมดยางอายนี่ผมยังมิตรอยูนะเนี่ยหมดเวลาฉลองเนี่ยกลัวมันจะเอาของอะไรมาตีตลาดอย่นง้ยนั่นนะเวลาฉลองกลัวมันจะเอาอะไรอะไรเอาของอะไรมาตีตลาดอย่างเงี้ยมาตั้งตลาด น, น เืองางของขังในหนังสือนี้น่ยน่ะควรรวังมากควรคิดไว้เลยนี่เงี่ยไม่กระดูกกระดิกถ้าเป็นคนอื่นรู้ว่ามันเตะให้ซัดให้เซให้ล้มไปแล้วนะพวกสำคัญทั้งคันมีนแต่นี่มันพระาอะไรกับผมเพราะมันเคยฟาดกันแล้วนี่ต้งโดนหนุน เป็นแมงจื้อท่างจันมั่นออกใ ห, หมายประวัติท่านจันมั่นตวงนี้จะมาขอไปพิมพ์จำหน่ายจะไปสร้างโรงร่ำโงเรียนสังฆาลัยทุกโคองการนั้นผมไม่ให้อาจนกระทั่งไม่เข้าวัดแล้วนี่นะว่าไงไลยไม่เข้าผมก็ไม่ได้สนใจจะให้ใครมาเข้านี่เพราะเราไม่ไหวังเอาความบกพร่องของกองทุจากผู้ถึงผู้ใดนอกจากการบริวารของเราแล้วเราแน่าจเราอย่างนั้นคําพูดใดที่เป็นไปด้วยเหตุผลแล้วเราจะแก้ไม่ได้ ขอก็มไม่ให้<ม>เลยโกรธให้ผมไม่พอใจให้ผมผมไม่ใจริงๆอ๋อแตงเฉลยมาไม่รู้กี่เฉล ย, ลยมาแล้วเฉลยมานหนก็ตเตยียวเตียวรวมทั้งหัวหน้าใหญ่มามาก็ใส่เปี๊ยงอย่างหนักเลยนี่มาเขาไ ม, า ม, ามา่มาเข้าวัดมันเข้าแล้วไม่อยากให้เข้าอา๋อเข้าพแบบูดตามหลักเหตุผลที่กรอบรับแบบนี้ประเภทคนวัยนี้ไม่เราไม่อยากให้เข้าสู้ก็บเราแต่เราไม่ได้ เพราะแต่แล้วมันมาทำลายเรามันมาทำใเรายิ่งอย่างนี้เพรนั้นมัมีแผนเข้าทางในหลวงหนึ่งพราัาดะวังมันถึงจะนนใส่กันหนักมันถูกอย่างเราคนช่วย อควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละเขาเหมือนถ้าพูดเวลาเราเขาถวัลษาคำแนะนําในหลวงอ่ะหึมันเป็งแต่ในหลวงท่านท่ทานี้านให้รับสั่งให้ถามมาทางนี้ก่อนอ่เป็นไงเรื่องราวมจะเป็นใหม่อย่างนี้ไหมให้ถามมาเรื่องก่อนถามมาทางนี้ทางต้นต้นทางนี้ถา ม, มาเราก็จึงเดียวผู้ว่าเขา้าหา ราชเลขาดิเไปถามเวลาทั้ ง, ทงนี้ก็ยังก็ตอบได้เพียงเล็ก น, น้อยจะต้องมาหาอาจารท์ใช่ป่ะพอลงรีบปุ๊บเข้ามาเลยนําเรื่องราชเลชขามาเลยราชเดขาออกมาจากในหลวงนี่มาหาเราแล้วก็เอาละที่นี่มามเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่หระอืมแล้เรา ย, ยกนิชานหมูป้านกัญญาห ม, มาถึงเข้าวใส่ก็ไม่เอามันเจ็บกูหน่อยดีกว่า เพราะว่าที่จะโทรศัพท์ก็คือที่จะแต่งอะไรารายงานการลงทุนนั่นผมก็แต่งให้ให้พ่อมาบอกอ น, นี้แม่อะไรมากนะโทรศัพท์ดิคุณฟันกันตรงโทรศัพท์โทรศัพท์ให้พูดอย่างนี้นี่นี่นะนั่นให้พูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมบอกว่าเราให้พูดว่างั้นน่ะเอาหนั่งของนี่มันถอยหมด ขไม่ใช่เรื่องของผู้ว่านะว่าเรื่องของหลงพ่อต่งอางงานี่เป็นไรไะก็เรื่องก็ามาถามมาถาหลวงพอ่อหลวงพอ่อไงหลวงพออง่อก่าก็พูดไปตามนั้นสิว่าให้พูดแบบนั้นนั้นนี่ข้าถึงหมู่บ้านขันนามาถึงเก่าขับะัรนเลยตอนนะั้นนั่งไหนดีบ้างอะไรก็ตามขอทางนี้ได้ทราบซะก่อนใครใคยายมาตทางไหนช่องใดก็ตามผ่านมาทางไหนก็ตาม เราขอให้รอไวก้ก่อนเราบอกนี่นล้วให้ถามมาทางนี้ให้ได้ความจากทางนี้ก่อนให้รื่องสั่งอะไรอะไรมาแล้วบอกเนี่ยเพูดถึงนะนี่มันเน็บตนี้ก่อนให้่องสั่งอะไรอะไรมาถ้าสั่งมาแล้ ว, ลวสลัดทันทีเลยแล้วบอกคือสลัดแอบคือไม่ไม่เล่นไม่เอาด้วยเลิกเลยเป็นหัวหน้าก็ดีนะต้องคนหนั ก, กนะ พวกเขาคงคงมายถึงอะท่านมันผมไม่เลยพวกนี้มันเอาแหลกนะอยางผ ม, มเ น, นี่ยนะเราคนป่าพระป่านอยู่วแล้วไม่มีศักดิ์ศรียศถาจะสักอะไรเขาจะว่า เ, าเราเรายอมให้ว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยนัน่ น, นเวลาเราจะว่าใครเราก็ว่าอะไรทั้งนั้นอยู่เหมือนกันนี่นะนั่นใครจะว่าอะไรก็ว่ามาสิเราไม่เห็น จะเสียเกียรติตรงไหนก็แล้วไม่มีเกียรติให้เสียนี่วะฮึเราเป็นหลวลงตาหนึ่งนัแล้แต่เราจะว่าใครเราก็เป็นหลวงตาหนึ่งก็แล้วว่านี่ทมันทาเกลียว่าค น, น, น, นาถึงเป็ียหูปัดกันม้ามันกล้าใครจะกล้าพูดได้หรอพูดก็ผ่านเข้าไปในราชเลขาถึงราชวังมันใครกล้าพูดถ้าไม่ใช่หลวงตาผีบ้าอยว่ามันพูดได้มี้ย พูดโดยเหตุผลทไมพูดไม่ได้วะนั่นใครที่สูงในโลกนี้ทาเท่านั้นนะเอาตรงนั้นนั่นเราเราวิจกตอนขลองนี่นทันนะี่มันเหมือนกับมันหิวกะหาจะตามัจะต้องออกข้างในตัวหนึ่งกินได้พอถึงเวลาจะกินโตแล้วมันจะมากินโตกะนะ่อนนี่แหละอันนี้กับมูป้าน น, าานั่กินข้าวหมูปนคือไม่ไกินเรานั้นแตจะมากินตอนนี้ อืมต่างเลเราคิดมันจะเรียบๆไปเลยนี่ลำบางกันนะคอยพิจารณาแต่วันนี้นนไปเลยไม่มีอะไรนี่ก็ชัดแสงว่าอาจทำอาจจะฟื้นบ้าง ใ, ใจคจะของเสียนตนบางเล็กน้อยยังไม่กล้าทำอะไราอมก ถ้าเป็นเรื่องความหิโหยความมาดัาน้นตันใจหาช่องเอากาศได้ต้องขึ้นแน่ๆจุดนั้นวาระนั้นจะต้องขึ้นผ ม, มผมก็ไม่เคยคิดเรื่อที่จะถงปงกอย่างนั้นมันก็ดีหนึงอุป t h e r e a f รัเรบเอาหมดพระการเกีก่ยวข้องการข อ, องเป็นเราเป็นเรื่องเข้าให้เของเรื่องเบือ่อเรื่องจ่ายก็ม้วนไปทางโน้นหมดเลย คือผมมันมันยังไงนะท่านเล่นกับเรื่องเหล่านี้มันจิตมันไม่เล่นด้วยนี่จะทํายังไงเพียงใดจะไปเปิดเอาสมุดอันไหนเป็นอันไหนอยู่นี่ตัวดีอท่านชายไม่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นเป็นซองเป็นซองแล้วขนาดนั้นเราจะเอานั่นมาเรื่องนั่นนี้มันยังสับกันได้ไหมมันยังยุ่งในหัวใจเนี่ยมันรู้สึกมันยุ่งยุ่งมันไม่เล่นหนึ่งนะบังคับเอาเช่วยเย จะไปเข้าวันนี้จะเข้าธนาคารไหนอธนาคารตัว น, นี้มาดูธนาคารไหนมีจำนวนประมาณไหนแล้วเรเข้าให้สมัครเสมอกันเนี่ยดูดูนี่แล้วเรื่องแล้วก็เอาใส่เข้าไปพอดูได้หมดแล้วที่นี่ก็เอาใส่ใช้ถูกไหมถูกก็ต้องใดต่อมันจะเป็นการงุ่นอยู่ในนี้น่ะเรื่องไปงั้นนะพื่อนี่มันไม่เล่นจะ่ทำไง เขาจะว่าบ้าเขายอมรับแล้วผมบ้าขนาดนั้นน่ะมันไม่เล่นนะทุกวันนี้ยิ่งถอยกู้สู่ยิ่งกว่าตะวันด้วยนะภาพแ่งแข่งนี่มัมุดมันกู้ทุกมันไปทุกวันทวันทนนี่มันไม่อยากเล่นเรานี่นเป็นพระละผมเคยพูดถางแต่ผมบึกบึบพินบีดผมไม่ชามารถนั่งจะภาวนาวบางวันนั่งถึงสามหงส์หนึ่งนีง ก็ทำให้เราภาวนาขยันขยันจะตายแลย้วมันใช้งานไม่ได้ก็เอามาชาบเฉยๆมันขยันอะไร <c oughs> มุ้งทีก็เปิดไฟเปิดทีมบิดเลเปิดไฟไว้จะไปตั้งนั่งภาวนานตั้งแต่สีว่าที่มารู้ที่มันแช่ใจที่หมดตายทำไงฮาร์ดทีม <c oughs> บิดคือมันจอ่อแป้นอักษรมันดูเย็นทีแรกมันต้องเป็นขั้นจอ่จอจ่อที่พอจอ่อไปจากมากริดมันหดเข้าๆไม่เล่นด้วย ยัดไวมันหายเงียบหายเงียบแล้วกันทำใหม่จ่อแป้นไหนก็ไม่ได้เรื่องมันไม่ออกเนี่ยมันเหมือนดึงสายยางดึงสายยางออกไปพอปล่อยมันพักออกมากว่าเพ้ามาสุดท่ามันก็เลยเป็นผ้าแม่เนี่ยแม่พอเราปรุงนี้ยัดหายเงียบจับยังไม่ได้ตัวไหนจะตัวไหนนี่มันไม่ทํางานให้ไม่รู้จะทๆานิว่าไงโู้ไม่ได้แต่นั่งนอหนัยบางทีแบเปิดสฟเปิดพี่หมีแล้ว เป็นนางของนายเวลาไม่เวลาดับแล้วก็คนเป็นนางของนาอย่างนั้นแ่ะพอมีกําลังใจพระอีมันทำงานอีกนะพอพักถ้ามันมันมันไม่ได้เรื่อด้วยนี่มันสงบเลยเข้าปักเลยแหละพอปล่อยปักมันมันงกันแน่วของมันมันปล่อยพระละความคิดความปรุงอะไรเงียบหมดแล้วแต่ความรู้ล้วนๆมชมตัวเหมือนกับว่าชาติเราดี่ิออกงานมาแล้วก็ คิดได้เลยเบางคั้นั่งถึงสามโมงสี่โมงผมที่แรกเนี่ยวันอาทิตย์เป็นนั้นาะมันรู้เรื่องธุระแล้วมันก็เพี้ยนย่ำมันก็เข้าใจแล้วตัวไหนอยู่ไหนเี่ทีนี้พอมันนานแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรมากไปของมันเองแม้เช่นั้นมันก็ต้องพิมพ์มากไปไม่ได้นะมันจะหดเข้าหัวเข้าองกันกิจกาที่จะทํามันนี้มันก็ไม่มีอีกลนู่นตั้งแต่พศเท่าไหร่ ผมต้องกาีนดและเจอกระทั่งมาปัมนี่มันกี่ปีมาแล้วทําไมมันจะไม่ซุดลงเพียงจับเอาอันนี้มาดูท่านดูนี่มันก็ยังยุ่งอ่แล้วม่น่าจะเ็คเอาทนาัตกระเพาะไฟเปล่มรู้าส่งมาที่ดนสงมาที่กายดูแล้วลงบัญชีอะไรอ๋อไป ไม่ข้างที่ว่ามันหมดความหมายไปแล้วนี่ยจะไปเผาไปเรื่งวางเครื่องยนได้านเ่ยเผาไปด้วยกันนะเรียบนะเรื่โลกไม่เล่นนะแต่เริ่มทําเป็นอย่างหนึง น, นะก็แป ด, ดอถ้าคิดอาจจนีไ้ไปเหมือนน้ำรับน้ําำถมเหมือน ม, มันไปแต่ไม่คิดเรื่องหาชีพ อนแ้วทำ้็คิดไปตามแถวทำ ม, มันเฉมันอื่นลากลื่นมัน ไ, ได้ถ้าคิดนร่งโรกมัไม่ได้หรือคุณก็ง้อก่อนมันขนาดขนาดไหนล่างมันเล่ามคอมามันยังขามยังไปลากคอมาที่ขามยังดีไปนู่นเลยลากขามเาหัวมโผ่ไปนู่นแล้ก็ตัดหัวอยู่นั่นได้าาดไดรู้ใช่เห็นมวนอะไรเรื่องควา ม, ค, วามคิดของน้องขู้ิ แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นป่านนั้ก็ดูไปดูไปถ้าจะแง่ทําไม่เล่นด้วยทั้งมันแะ่ะปนนันดูไปดูไปพูดอะไรแล้วพูดแล้วหายไปหายไปหายเงียบไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นแงยธรรมมันสุนทรพักป่านนัมันจากไว้นะมันเอามาพิจารณาเช่เอนอย่างเดินผ่านไปนั่งรถผ่านไปลงหนังเขาอย่างี้ลงหนังลง พ, พ ร, รนะพุยนพิจารณาขอยังคนหลังแหลง ม, มันมันสรุดแลวนะั่นแหะโอ้หมันเอามาพิจารณาส่วน ในทางนี้เป็นต้นยิ่งน่าถึงเรื่องคนที่มานี่เป็นไวัยอะไรบ้างมันดูจะมาตั้งวัยของคนดูคนทั้งหมดนี่คนที่ติดถ้าจนยิ่งกว่าเฮโรนก็มีนะคนที่คนประเภทนี้มันเป็นคนมีฐานะเหกันหมดเหรอถ้ามีฐานะความติดมันติดอย่นี่แล้วมันจะหาเงินเมือ่อมันหาเงินบริสุทธะนไม่ไมันจะเอาเงินอะไรมามันต้องเอาทุจริตมาะคิดหนีพวกนี้ก็พวกก่อความเ ด, ดือดร้อนให้ ชาวบ้านชาเมืองไม่ น, อน้อยนะที่แบบเอามาเก็ดมาเลี้ยงนี่เรียกว่าทำาอนนี้มันคิดมันไปจนน้ำมาอ๋อะเนี่สำคัญมากเลยนี่ขนาดตัวดิบปลาดิบปลาฟัดตาเหลี่ยงอ้ล่าคอรอบหลอกมุดนี่มัน กลายเป็นหมาเฒ่าอะไรก็ดีอม่รับเป็นลูกหมาเป็นป๊อปปี้อะไรลูกหมาอเห็นอะไรกัดฟักกัดเหยืย่อม่แล้วี่ขาดหมดกระดาษก็ตามมาอะไรก็ตามเสพผ้าแล้วไม่ไม่ไมว่าจะเสพผ้ามันจะดีขนาดไ้นมันเจอก็ไปเถอะข้าฟักข้าวเหยื่อสนุกเทินพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้งานใช้การหาล่านั้นล่านี่ เห่าบ้านเห่าอะ้รรักษาบ้านพอแก่ขึ้นมาจึงแล้วคืาาออะไรจริ ง, น อ, งนอนเฝ้ากองไฟอยู่นะไฟจะมีไฟไม่มีไฟก็ตามมันก็นอนอยู่ในกองไฟนอนอยู่ในเตาไฟอ้ย อ, อย่าว่าแต่จะเห่าเลยไอะไรที่นี่ปเรียกเฮ้ยอะไรแต่มันจะลืมตาดูเรานก็อยากลืมมันขี้เกียจอ า, จ า, าสาอะไรอย่ากเงี้มันเครื่องนอนวางมาเป็นมาขวนทำไมมาขวนนอนทำไ ม, ม ไม่อยากดิมัตาดูซะเลยจ้ามีว่าไงมีว่าจะเห่าเลยอันนี้มันก็แเบบนั้นนมันขี้เกียจจำไมนะมันจะมันจะไปไหนแล้วม่ไปตรงนี้มันไม่ไปไหนเลวมันไปตรงนี้เวลามันคึอมันกน่อมมีสิ่งพายมันคึกมันกระหน่องตัวเจาะตกการมันตายแล้ว ถ้าแต่ขันมันดิบตุ๊ดตับตุ๊ดตั๊บมันธรรมดาของมันมันไม่มีความหมายอะไรนะอมันก็ไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นเจ้าของมันด้วยมันเหมือนหางอีกเดืนดขาดตุ๊ดตุ๊ดของมันของมันสัญญาจำนั้นจำนี้แยกประเภทแยะมันานปุสัญญาไปแยกจะพูดเรื่องความละเอียดเท่าที่วินญามาสัญญานี้ละเอียดมากนะไม่ต้องแยกสัญญานี่เป็นกระดาษซุมไป มันคืมันเป็นผ้าขึ้นมาหลอกเราคิดแย็บออกมานี่เป็นผ้าก็มีนะอันนี้เป็นสังขารมันคิดแย็บออกมาเป็นผ้าสัญญาไม่ต้องแยกนะก็เห็นมันอยู่ทุกระยะมันออกมันคืบคลานออกมานี่ก็เห็นมันอยู่นี่อืมแล้วมันออกเป็นผ้ามาอย่างที่ว่าไม่มีแยกเลยเนี่ยมันค่อยมาเป็นผ้ามาเนี่ยสัญญาตัวนี้ตัวอมถึงว่าอันนี้ละเอียดยิ่งกว่าสังขารสังขารมันมแยกเช่นเราปรุงอะไรเรื่องอะไรลูบนั้นลูบนี่น เพราะว่าพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องบุคคลอะไรนี้มันจะปรุงแยบขึ้นมานะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องของสัขารและอยู่เฉยที่จินนั้มันละเอียดมันอยู่เฉยเนี่ยมันค่อยคืบคลานมาออกซึมออกไปข้างนอกแล้วไปเป็นผ้ามีตามไม่ทันนะอนี่ทันไม่คุยจึงได้เอานำเอานี่มาพูดอ๋อสัญญาเป็นอย่างนี้เป็นอย่นี้แต่นี้เวลาเราพิจารณาที่มันจะปล่อย มันก็ทันอันนี้เองมันถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่ถึงสัญญาสติมาทันสัญญาทันนี้มันก็ปล่อยไมได้ฮะพุ่งกำหนดนี้พอกําหนดไปกำหนดไปนี้มันมันชัดเข้าชัดเข้าเื่องนู้นมันค่อยเข้ามาหมดเข้ามาหกเข้ามาหกเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตโอ้ตัวจิตมันไปเป็นภาพหลอกเรงนี่เขาหลอกว่าฉะนั้นก็ตามหบอกอย่นี้ตามมันเห็นได้ชัดเนี่ที่นี่มันชัดกว่าธรรมดาคือชัดด้วยการพิจารณาพอมันชัดชัดนี่มันก็ปล่อยปึ๋งเลยเจ้า อ๋อนี่ติปัญญาต้องทันัญญาตัวนี้เราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยอะไรมางทีก็อยู่ด้วยปัญญาตั้งฐา น, นมันหลอกเจ้าขององนี้ฉายหนังให้ดูตลอดเวลาเธนอยู่กับความคิดความปรุ ง, งของเจ้าของเดื่งอดีต ลวมมาแต่เมื่อไหรเมื่อไหรแล้วเลื่องได้ก็เอามาเล่นอยู่เหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาติดพันกันนั้นเหมือนม้าน้อยได้ดุเขาว่า <c oughs> ม้าหน้อยแห่งกระดูกเป็นไงปิ้นความปิ้งหม้าน้อยแห่งกระดูกหมายว่าปิ้นความปิ้งหวานมันม้าหน่อยได้ดุเขาว่าคือหมาลูกหมามันได้กระดูกมันจะขี้นี้มันเอากันอยู่นั่นแหละแท้ทั้นัแท้ที น, น, นี่พันไปทาง น, านั้นเทินกับน้ำลายมัน อันนี้อยู่เฉยๆอยู่ได้เมื่อไหร่มันอยู่กับภาพของขันนี่เราเจ้าของะทีนี้ที่มันเหล่านี่มันมีเจ้าตัวการอยู่ข้างในที่เอ่ยฉายออกมานี่นะมันมีเจ้าของอยู่นี่จึงทําให้เป็นโ่ษเป็นคุณได้ทําให้เพลิดให้เพลินแล้วความเพลิดเพลินแล้วก็ทําให้เสียโอเคใจแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเพลิดเพลินก็ทุกข์ก็อยู่ในนั้นทาไม่รู้ นอนเอาอยู่ข้างมันไม่มีเจ้าตัวการนั่นแหละมันมีอยู่การธรรมชาติทั้งนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็หางยีงเหรอนวทีนี้มันจะออกมันก็ออกมันอยู่นั่นแหละก็ขันอันนี้มันถ้าเมื่อขันได้แค่หนึ่งยังไม่เช่นรูปขันไม่สลายตัวลงไปหรือไม่หยุดทำงานเมอะไรเหล่านี้มันก็ยังมีเพราะใจยังครองเล่าอนั่นออกมาแต่ถ้ามีเจ้าของมันก็เหมือนหางยิงเหรอนันเองถ้ามีเจ้าของอยู่ในนั้นสิตัวคิดตัวพายแล้ว่ะ ดีใจกับดีไปด้วยอำนาจของกิเลสจริงๆเสียใจก็เสียตัวยอนาจของกิเลจริงๆพราะนี่เป็นตัวกลารพาให้ออกมาในภาพเป็นภาพอย่างนั้นๆตอนนี้มันหมดไปแล้วมันก็มีกับค่ห้าวิถีนี้ได้เห็นว่ามันไม่มีความหมายเลยกับมันเองกับสิ่งใดเนี่ยแล้วมันไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นเจ้าของมันด้วยตัวมันเองมันก็ไม่ทราบความหมายมันเมื่อเราทราบมันทุกแง่ทุกมุมแล้วอะไรจะหลงกันล่ะเ้วไม่ทราบที่จะไปหลงมันมันไม่ได้หลงเราเราไปหลงมันต่างหาก เราพนะินามีขั้นนะนี่แหละถึงขั้นละเอีดมันเอียดขนาดนั้นอเอาให้ทันกันทีเดียวทนันพร้อมสติปัญญาเปนไม่ได้ฝึกก็มันเตรียมกลยถอะคํานี้จะโผลข่ข้นมาหัวใจเราเองแหละคําพูดที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะเมื่อมันเข้าไปถึงแล้วมันไม่ยอมได้ยังไนน ง, อองนี่เราบรรดาสาวสงายยอมพระเยซูยอมหนังใดเย็นธรรมบุญรรที่เราจะถามเพเห็นอย่างนี้เนะ่ยคือท้าเห็นในหลักธรรมชาตินวค้านได้ยังไงถ้าจะค้านพระเยซาท่านค้านตัวนี้ซะทีเนี่ยนะ อันนี้ค่าในหมห้ยอบรับนี้แล้วก็บอมรับนันทั้งหมดเลยมันเป็นความกินข้าวกันนี้เนี่ยมันจะเล่นขันขันมีอเจ้าของเวลานี้กิเลสมือของจะพยายามให้ทำแช่กเข้าไปเป็นเจ้าของมั่นเอมันลำบากถูกกิเลสตีไ ง, ง้งลงไ ง, ง้งลงเตะไง้ลงไง้ลง่ว่างผมสงสารรินนะผมรักหมู่เพื่อนนี้รับรักจริงๆไม่ใช่รักธรรมดานะ ผมไม่ตาบแต่ว่ารับไปนะมันเป็นในหัวใจยิงนี่เพราะงั้นการสอนหมู่เพื่อนต้สอนอย่างถึงใจดุดารากาทุกอย่างทุกอย่างถึงใจทั้งนั้นถึงใจด้วยเจตนาที่มุ่งอะไรกับหมู่เพื่อนคำว่าโกรดนี่อย่ า, ามาใช้ <c oughs> เอาแล้วมาโกรธอยานั้นเลยตัวเองยังไม่คิดว่าจะของโกรดนี่วะหรือว่ากุ่มเมือมันโง่เต็มเป้าแล้วไม่รู้โกรธหรือยอมรับเสียเสียผมไม่เอานะ อยอมรับวาเฉยก็จะว่าว่าไอือแล้ลมาโกรธว่อความโกรธเป็นกิเลสนี่สอนหมูเ่เ่อนให้ดีมาโกรธให้หมู่เพื่อนเอ า, าความดีมาจากไหนฮะคือสอนรักกิเลสนี่ความโกรธเป็นกิเลสนี่เอาไปเปะหมู่เพื่อนทำไ ม, มหหเห็นรู้ว่าเห็นมาจะไม่มีพระทรงมากทรงผล อมืมีแต่ชื่อถ้ากรรมฐ า, านมีแต่ชื่อการทําวามเพลิก็เอาเอาแต่ชื่อนำะไประทำตัวจรินไม่ปรากฏเป็นความเพียนด้วยเลยมันแย่สิยิเรลตัวไหนที่มันจะปรากฏแต่ชื่อว่าจะฆ่าย่เลหอยี่ยิเ ร, เรลบรรลัยลงไปเพราะความเพียนด้วยความจริงจังด้วยความจริงนั่มเอง กดด้วนเข้ามากดด้วนเข้ามาวงปัจิบันิทั้งเราเพราะโลกมันเหยียบย่อาอํานาจของโลกมันมากกระแสะโลกมากหนักเข้าทุกทีในเดี๋ยวนี้นะอออยู่ในวัดในวาเราเห็นไหมมีแต่เครื่องทําลายทั้งนั้นนะไม่ได้อะไรที่เการปร่เงเสริมพระหนึ่งในวัดมีแต่เครื่องทําลายเข้าไปเข้าไปอืมไฟกับเชื่อมันเคยลังเกียจกันเมื่อไหร่เชื่ออยู่ในหัวใจมีอยู่แล้ว สิ่งไรเข้ามาถ้าไม่มีทากีดขวางหรือตั้งทานไว้เชื้อกับฝืนมันก็เข้าถึงกันทันทีกันทีบันไลไปเลยที่ไม่ทราบว่าวิคที่ยุไม่ทราบว่าโทรทัศน์ไม่รทรธธาบว่าเรื่องอะไรตัวอะไรเข้ามานอกจากนี้ยังมีอีกมากมายวิญญาณอเองก็รู้ยยอย่างนี้อ่ะฮึมนี่เป็นเรื่องทำลายทำลาย แล้วทาจะง อ, อกได้อย่างไงพยายามผูกกันแนละ้ให้หมหุกพ้นได้รับความประดวกแม่จะมีจำนวนมากด้วยกันก็รับไว้พอเห็นใจว่าดวงใจแต่ละด ว, ดวงมีคุณค่าเท่ากันมีเจตนาเหมือนกันอันนี้มีคุณค่ามากถึงได้ยอมรับเอาไว้ด้วยเหตุผล น, นี้เองท่านต่างองค์ต่างอยู่ก็ขอให้ต่างองค์ต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันแลการ แว่าคนนั้นมากมากอน่างนี้มากอย่างนี้คนนับพวกเราเข้ามันก็มากแล้วสิมากแต่คนอื่นมากคนมากเพราะใครแล้วเราบวกเราก็คนหนึ่งบวกเราก็คนหนึ่งต่างคนต่างบวกตัวเองเข้ามันก็มากถ้าบวกหัวใจก็าหากันเป็นอย่างเดียวกันนี้แล้วมันก็ไม่มากมันก็พอาะอดะทนกันคป็นเรานี่แหละความคิดด้วยความเป็นธรรมต้องคิดอย่างนั้นทำไมใครก็มีหัวใจนี่การรับผมก็รับทุกภาค รับด้วยเหตุผลเหมือนกันคิดเห็นภาคแต่ละภาคละภาค ก, ก็คนจะว่ายังไงอยู่ภาคไหนก็คน อ, อยู่ในเมืองก็คนอยู่นอกเมืองก็คนอยู่ในป่าก็คนมีหัวใจใจหัวใจคนมีคุณค่าเท่ากันหมดไม่ได้ว่าในปา่าในบ้านในเมืองมีคุณค่าเท่ากันมนุษย์มีคุณค่าเท่ากั น, น, กนแห่งความเป็นมนุษย์แห่งความเป็นอยู่แห่งชีวิต